เข้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดั่งคูต้นโตสู่แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแบ่งบ้านงามตามจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่น การเราพัฒนานำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธาบัง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 รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเถยนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันนะครับหลังจากมีการเปิดสภานะครับมีการอภิปรายนะของส ส, สนะฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและก็นในส่วนของสอวอนาเอ า, อาปัญหานะครับทางด้านการเมืองเนี่ยไปพูดไปคุยกันนะครับนะ กันอยู่2วันนีก็ในส่วนนี้ในส่วนของนายกตีนี่เข้าประชุมรนะับฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภามาตลอดนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนวันที่28ตุลาคมนะครับซึ่งผลเอกประยุทธ์ก็กล่าวบอกว่าการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันสองวันที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับในะที่ ให้ความเห็นนะโดยเฉพาะสมาชิกสภานะครับแล้วก็ในส่วนตัวในสนับสนุนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตรงนี้แต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้ขั้นตอนตามกฎหมายนะครับแนตะ่ซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องดูส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอำนาจของสวในการเลือกนายกนะจะให้คงอยู่ต่อหรือไม่นี่ก็ให้ไปถามสภาก็แล้วแต่นะครับนะต้องไปหารือกันในในในสภา นะครับนะก็ว่าอย่างนั้นนายงตรีและนอกจากนี้ในายกบอกว่ายัางจะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคณะกรรมการปองดองหรือว่าคณะกรรการศึกษาหาทางออกให้กับประเทศนะครับก็หารือกันหยิบยกไปหารือกันในคอรมอนะครับก็อาจจะมะีทุกฝ่ายเข้ามาร่วมนะครับทั้งฝ่ายสสทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลสอวอกลุ่มชุมนุมต่างๆนะครับนะทั้ง ฝ่ายค้านฝ่ายหนุนนะครับนะทั้งนักศึกษาทั้งประชาชนนะครับก็ก็กจะตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมานะครซึ่งก็ก็จะให้ไปพูดไปคุยกันว่าจะจะหาทางออกกันกันอย่างอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องดูกันต่อไปส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองน้ำตีนะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็มีการตั้งจะมีการตั้งคณะกรกรมการสมาชชัญเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ นะครับโดยคาดว่าจะามีเอาทุกฝ่ายเข้ามาก็คิดว่ า, าที่ผู้ชุมนุมอะไรต่างๆนี่ก็น่าจะมั่นใจนะครับจะได้เข้ามานะครับมาพูดมามาคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็คงจะต้องใ ห, ให้หลายๆฝ่ายเนี่ยมาดูนะครับส่วนในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาแล้วก็เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเขากล่าวว่ากัน ประชุมร่วมของรัฐสภาสองวันที่ผ่านมาก็มีความเห็นตรงกันให้สภาเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการที่จะตั้งคณะทำงานศึกษาหรือสร้างความปองดองซึ่งวันนี้ก็ได้ไปประธานชวนเนี่ยได้ประสานไปยังศาสตราจารย์วุฒิสารเลขาธิการสถาบันพระปกเก้าแล้วนะครับเพราะเป็นหน่วยงานที่มีผู้สุงคนวุฒนะ ก็มีหลักสูตรที่เกี่ยวเครื่องกับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสันติวิธีอะต่างๆนะ ก, ก็จะให้เป็นคนไปหาออกแบบโครงสร้างคณะทำงานว่าควรเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะประกอบไปด้วยใครบ้างจะมีจารย์เชิญตัวแทนผู้ร่วมชุมนุมเข้าร่วมด้วยนะครับนะก็ตรงนี้นี่ก็ให้สถาบันประปเ ก, กล่าวนี่ไป ไปคิดแล้วก็เสนอมาอย่างประธานเสนอมาอย่างที่ประชุมของรัฐสภาเพื่อที่จะมีการลงมตินะครับนะเพราะในตรงนี้นี่ก็ประธานช่วนนี้ประสานไปทางสถาบันพระปกเกล้านะครับนะเพราะตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับว่าจะทําอย่างไรส่วนท่าทีของพรรคเพื่อไทยนายประเสริฐจันทระหลวงทองเลขาธิการพรรคก็กล่าวว่าการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามันสองวัน ทางพักเนี่ยมีข้อเสนอชัดเจนนะและมีเหตุผลสนับสนุนที่หนักแน่นนะครับเนะพราะในตรงนี้นี่ก็ได้เสนอนะตรงนี้ไปนะครับแล้วนะก็จะให้คณะกรรม ก, การเนี่ยจะต้องไปดำเนินการหรือทางพักเสนอไปในที่ประชุมรัฐสภาแล้วก็คือให้นายอุ่งตีพิจารณาลาออกคือปรมยุเนี่ยะครับแล้วก็มีการให้ปล่อยผู้ชุมนุมที่ถูกคุมขังโดยไม่มีเงื่อนไข และเสนอให้ทุกฝ่ายแสดงความจริงใจในการแก้ไขรัฐนูลนะให้สำเร็จโดยเร็วนะครับแล้วก็มีการเสนอให้มีการยกเลิกอำนาจดูที่สภาในการเลือกนายกตามมาตรา272และยกเลิกมาตรา279เพรานะครับนะเพื่อที่ทำใ ห, ให้ประกาศนะของคอสช อ, อยู่เหนือบทบัญญัติรัฐนูลนะครับแล้วก็มีเสนอให้มีการแก้ไขมาตรา256มีการตั้งสสร นะขึ้นมา ร, ร่างรัฐธรรมนูญนะครับนะร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็เป็นข้อเสนอนะของอเลขาธิการของเพื่อไทยนะครับของเพื่อไทยนะครับเพราะในตรงนี้คงจะต้องดูนะครับแล้วก็วันที่28เนี่ยมีการประชุมของศาล ร, รัฐธรรมนูญหลายคนให้ความสนใจนะครับนะการประชุมของศาลน้ำนูน พิจารณาคดีเกี่ยวกับเรื่องของมีการร้องส อ, สอสอทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลกรณีถือคดีถือหุ้นสื่อนั่นแหละครับซึ่งเวลา15บห้นาฬิกาที่ศาลน้ำนูนเนี่ยองค์คณะได้ออกมาอ่านคาวินิจฉัยซึ่งวินิจฉัยให้32มสสอสอของพรรครัฐบาลนะครับที่ถูกร้องคดีโอนหุ้นนะครับนะ ที่ประธานสภ า, าส่งคำร้องให้สารวินิจฉัยเนี่ยนะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82นะครับนะก็ะปรากฏว่าสารวินิจฉัยตัดสินบอกว่า32คนเนี่ยไม่ไม่ผิดก็คือไม่ไม่ไม่ไม่ ไ, มได้พ้นจากสมาชิกภาพของสสนะครับนะซึ่งก็มีอยู่32คนลครับแต่เป็นสสของของฝ่ายรัฐบาลนะครับส่วนอีก32คนของสสฝ่ายค้าน นะครับซึ่งมีสอสฝ่ายค้านนี่ก็ปรากฏว่ามีการตัดสินให้คุณธันวารินซึ่งเป็นสสพักก้าวไกลเนี่ยมีความผิดนะก็เลยพ้นสภาพสสเพียงเพียงคนเดียวนะฝ่ายค้านนี่ก็มีที่เหลืออีก20่สสกสนี่ ก, ก, ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็มีสสฝ่ายค้านโดนไปหนึ่งหนึ่งท่านละครับนะคือธันวาริน นะครับส่วนสอ ส, อสอฝ่ายรัฐบาล32คนซึ่งก็เป็นคนที่มีชื่อมีเสียงนะครับในในในในภาครัฐบาลเนี่ยนะครับก็หลุดกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพินโยนิโรธนะครับนะวิากรคำประกอบนะครับนะแล้วก็มีพันธุ์ตํารวจโทวไวยพจน์อภรณ์รัตนธรรนองนี้นะครับก็มีหลายหลายคนนะครับนะถึง บางคนนี่เป็นวิบบางคนก็เป็นในส่วนของรัฐมนตรีก็มีนะครับปนปนกันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เป็นผลการตัดสินของศาลน้ํานูนนะครับนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการคดีการถือหุ้นสื่อมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนนะครับก่อนจะมาพูดมาคุยก็จริงๆแล้วก็คดีเกี่ยวกับเรื่องของการถือหุ้นสื่อนี่เป็นคดีที่หลายคนจับตามองมากนะครับนะเพราะว่า มีเป็นคดีเดียวกับที่ในส่วนของนายธนาธรเนี่ยโดนคดีนะครับพีภากษาให้พ้นสภาพแหละครับนะเพราะคดีเกี่ยวกับเรื่องของการถือหุ้นสื่อเนี่ยนะครับนะแล้วก็การกู้ยืมเงินเพราะในตรงนี้นี่หลายคนให้ความสนใจศาลก็ตัดสินกันไปแล้วนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของพยาเทศมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของของรัฐบาลเนี่ยนะครับณตอนนี้นี่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ ราคายางตกต่ำเนื่องจากว่ามีการผูกขาดในกลุ่มห้าเสือก็พยายามนะรัฐพยายามแก้ไขปัญหานี่นะครับนะโดยในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยโดยในประพันธ์บุญเกียรติซึ่งเป็นประธานกรรมการกอ ย, ยอทอนะครับคือกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนละครับนะก็บอกว่ากยอยทอจะเชิญผู้ส่งออกอยางพารา หรือ5เสือส่งออกเนี่ยมาพูดมาคุยรวมทั้งผู้ส่งออกลายเล็กรายน้อยมาเจรจาในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อที่จะทำให้ราคายางเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นจะได้เป็นผลประโยชน์กันในส่วนของราสภานะครับก็จะเรียกมานะไม่ให้มีการกดราคานะครับนะรเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ซึ่งตรงนี้นี่ก็ปรากฏว่ากลุ่มผู้ส่งออกพ่อค้าที่นาออกก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 99, นะครับิบเก้านะครับแล้วก็ความผันผวนของตลาดยางเพราะเรามีคู่แข่งแล้วครับนะใ น, ในตลาดโลกนี่ก็ทั้งมาเลเซียทั้งประเทศอื่นๆก็ปลูกยางกันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้นี่ก็ต้องมีการเสนอบอกว่าให้ทบทวนมติคอรมอเพื่อปรับปรุงมาตรการอุดหนุนอตัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ให้กับผู้ส่งออกยางหวงเงินประมาณสองหมื่นล้านนะเป็นข้อเสนอข อ, ของที่ประชุมของกอยท นะครับแล้วก็จากเดิมที่จะปล่อยกู้ดอกเบี้ยงเงินกู้ต่ำามเซนเฉพาะปริมาณส่งออกยางพาราที่เพิ่มขึ้นในปีนี้นะครับก็จะมีการช่วยเหลือผู้ส่งออกซึ่งขณะนี้เกษตรก ร, ร, กรชาวสวนยางก็พอใจในราคายางพารานะครับที่ตอนนี้ก็ยังสูงอยู่แหลคนะครับแต่ว่าตรงนี้นี่ก็คงอยากจะให้สูงต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจได้เหมือนกันนะครับถ้าราคายางราคาข้าวราคามันสำะหลังราคาอ้อยสูงนี่ก็จะทําให้เกษตรกรประชาชนทั่วไปมีมีเงินรายได้เพิ่มขึ้นนะก็จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เหมือนกันนะก็เป็นหน้าที่ของรัฐละครับว่าเราจะจะมาส่งเสริมนะให้ราคายางนี่สูงได้อย่างไรนะครับตรงนี้นี่คงจะต้องจะต้องดูนะครับและนอกจากนี้นี่ก็ ในส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการท่องเที่ยวนี่เป็นอุตสาหกรรมหลักที่นําเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศจํานวนจํานวนมากเนี่ยก็กําลังนี้มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวการหลากหลายนะครับนะทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิพัฒน์รัชกิจประกาศเนี่ยเปิดเผยบอกว่าค อ, อรมเห็นชอบอในส่วนของการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในประเทศในกรณีพิเศษ รซึ่งก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยแหละครับนะก็คือคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยเรือสำราญนะแล้วก็และการกีฬาคือเรือยอดนะเป็นเป็นคนที่มีกำลังซื้อสูงะครับนะก็จะสามารถที่จะ อ, ะอยู่ <c oughs> ในประเทศได้นานขึ้นนะครับเพราะตรงนี้นี่พยายามที่จ ะ, ะมีการรับรองนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง นะครับแล้วก็มีการรับวีซา่านักท่องเที่ยวประเภทพิเศษขึ้นมานะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็อาจจะทําให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในประเทศมากยิ่งขึ้นนะครั บ, นะรบเพราะั้นก็จะทําให้ธุรกิจนี่ฟื้นตัวแล้ก็จะเห็นว่าทั้งในส่วนของภูเก็ตในส่วนของพัทยานะครับในเกาะสมุ ย, ยต่างๆ่างนี้ที่ผ่านมานี่แทบจะล้างแล้วครับนะเพราะว่าถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวจากจีนจากยุโรปอเมริกานี่ก็ ก็อยู่ไม่ได้นะในส่วนของธุรกิจยก็ปิดตัวกันไปมากมายเราจะเห็นนะครับนะตามข่าวตามสื่อมวลชนต่างๆนะทําอย่างไรที่จ ะ, ะมีการฟื้นตรงนีนะ้ก็คงจะต้องมีการ อ, อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ว่าจะต้องทําตามขั้นตอนหรือไม่นะครับก็ต้องมีการระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ด้วยเหมือนกันนะครับแตนะ่ว่าป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายก็ต้องมีมาตรการ นะครับในส่วนของเศรษฐกิจก็ต้องเดินและนอกจากนี้ในส่วนของการ ท, Mur ทา่องเที่ยวในส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุท่องเที่ยวนะครับมีการจะมีแพ็กเก็ตนะครับนในส่วนของรถไถยนในส่วนนี้ก็เป็นเป็นอันหนึ่งที่กระตุ้นแล้วครับให้คนในประเทศได้ได้ไดท่องเที่ยวกันเองนะครับส่งเสริมให้กับคนไทยไปท่ อ, mm ทองทเที่ยวนะยางแหล่งท่องเที่ยวในประเทศนี้ก็เป็นมาตรการที่ควรจะส่งเสริมแล้วครับนะเพราะว่าคนไทย หลายคนนี่ก็ยังไม่ได้ไปท่องเที่ยวในในจังหวัดต่างจังหวัดนะครับที่มีที่ท่องเที่ยวเด่นๆหลายจุดเลยทีเดียวแต่รัฐก็ต้องช่วยในการที่จ ะ, ะในการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับเพราะเรามีการท่องเที่ยวแบบโฮมีโฮมสเตย์มีหมู an, ่บ้านชุมชนท่องเที่ยวกันหลากหลายแล้วครับที่มีการส่งเสริมโดยโกรมพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยหลากหลายเลยทีเดียวแต่ว่าบางครั้งนี่ นักท่องเที่ยวนี่ก็ไม่รู้ล่ะครับก็มักจะไปแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเป็นหลักๆอยู่แล้วนะครับวันหยุดนี้ก็มักจะไปแถวทางอีสานะจะไปแถววังน้ําเขียวนะหรือว่าแถวเขาใหญ่หรือสมองนี้นะครับหรือว่าแถวจังหวัดท่องเที่ยวแถวลิมโขงนะในในส่วนท้องเหนือนี่ที่ดังๆก็จะมีเขาค้อนเพชรบุญภูทับเบิกหรือว่าในส่วนของเชียงใหม่นะน่านเชียงรายต่างๆขึ้นไปเที่ยวแถวภูเขาแล้วก็ทะเลนะครับทะเล ก็จะไปเที่ยวกันแถวนในส่วนของระยองชนบุรีน ะ, นะแถวเกาะแก่งหรือว่าในส่วนของสุราษฎร์เกาะสมุย ร, รวมทั้งแถวอันดามันนะครับภูกเกตรร็ตและต่างๆนักท่องเที่ยวก็จะรู้ที่เที่ยวเดิมๆทำอย่างไรที่จะมีอันซีนมีการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่แหล่งใหม่ขึ้นมานเสริมได้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับจะทำให้ธุรกิจเนี่ยจะฟื้นตัวกันขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เกี่ยวกับเรื่องของนะการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยเกษตรผสมผสานนะครับนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละครับว่าเรามีปัญหาเรื่องการเลิกจ้างงานในะใจในวงการอุตสาหกรรมนะรนี้โครงสากรรมหลายแห่งโรงงานเนี่ยเลิกจ้างคนหะนุ่มคนสาวนะที่เป็นแรงงานนี่ก็จะกลับสู่นะบ้านเกิดนะในชนบทนะก็กลับมาก็จะ อาจจะต้องมาทําการเกษตรนะแต่แต่ว่าก็ยังไม่รู้เทคนิคเดี๋ยเรื่องของการเกษตรสมัยใหม่นี่ถ้ามีการส่งเสริมนะครับการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ก็ดีในส่วนของเกษตรผสมผสานนะหรือว่าวรรณันนเกษตรนะมีการปลูกป่านะมีปลูกพืชนะสอสาอย่าง4อย่างหรือต่างๆเหล่านี้นะครับนะแล้วมีการจัดการน้ำนะในในแปลงเกษตรนะครับนะโดยใช้โมเดล หลากหลายแล้วครับนักโคกหนองนาโมเดลก็ดีหรือว่าในส่วนของเกษตรผสมผสาวนวันเกษตรต่างเนี่ยมีเทคนิคที่หลากหลายนะก็จะทําให้ฟื้นตัวได้เหมือนกันถ้า ส, ส่งเสริมอย่างจริงจังนะครับนะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทําการเกษตรนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการใช้เทคนโนโลยีเข้ามานะในหลายๆส่วนนี้ ส, นสมาร์ทฟาร์เมรเนี่เกษตรรุ่นใหม่นี่บางคน การลดน้ำนี่ก็ใช้มีการควบคุมโดยแอปพลิเคชันมือถือก็มีนะครับนะมีการต่ อ, อต่อท่อน้ำไปยังแหล่งน้ำในสวนนะครับแล้วก็ควบคุมการการให้น้ำเนี่ยโดยโดยแอปพลิเคชันจากมือถือเนี่ยมีก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทันสมัยรวมทั้งมีการใช้โซลาเซลล์นะครับในการพลังงานแสงอาทิตยนะ์ในการมา มามาปั่นเครื่องสูบน้ำนะครับนะซึ่งก็ทํากันหลากหลายแล้วครับนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเราก็ต้องส่งเสริมกันนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจกนี้ฟื้นตัวสําหรับวันนี้นะครับเวลาของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสําหรับวันนี้ผมนิรันดคุนทนันต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนและพบกันโ อ, อกาสห น, น้าครับสวัสดีครับ จาก nam nay khong thung tong na, from น a n d d i r เ f ือ w e r s l e a v e สัตราวเม่เดิมเวียดเบ็ดปากาเลนสูร์เน่นายังน่าโตเนี่ยสรกเนี่ยเสดไปเถอ ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้น